ต้นโพเนี่ยทุกวันเนี่ยถือว่ารุ่นที่สี่ต้นรุ่นที่หนึ่งเนี่ยถูกมเหสีเนี่ยเอาน้ําร้อนไปรดเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะริษยาว่าดูแลต้นโพมากกว่ามเหสีก็อย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าทําไมจะเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ที่เลื่อมใสมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าเขาจะละลึกถึงพระพุทธเจ้ามากใส่ใจถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมากเพราะอะไรเพราะถ้าเขาใส่ใจอย่างอื่นมากเขาตรทุสร้ายตัวเองมาก คือบุคคลอื่นเนี่ยนะที่ไม่ใช่เป็นผู้มีคุณสมบูรณ์ดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเชื่อไหมเรายิ่งนึกถึงเขาเรายิ่งลำบากใจยิ่งนึกเท่าไหร่ ย, ยิ่งเครียดไม่ใช่ยิ่งคิดถึงมากแล้วยิ่งมีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้านะั้นไม่ใช่พันข้อความในรัตนะสูตรทรองจึงว่ารับเครื่องตื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรัตนะทั้งหมดเนี่ยเสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีซับและรัตนะทั้งหมดนั้นอ่ะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มี วเมื่อนยิ่งนึกถึงยิ่งสบายใจยิ่งนึกถึงแล้วยิ่งมีความสุขนึกแบบคนรู้คุณนะไม่ใช่สักแต่ว่านึกไม่ใช่สักแต่ว่าท่องแต่นึกแบบเข้าใจคุณเลยอย่างนะีนึกแบบผู้รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามีความสุขมากที่ได้นึกแต่ถ้านึกถึงอย่างอื่นนะเดี๋ยวก็เริ่มเครียดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไขมันก็จะขึ้นให้ได้ไม่เชื่อก็ลองนึกถึงอะไรสักอย่างอเอยญาติเราเนี่ยคนที่เรารักที่สุดอ่ะเอามานนึกดูสักครึ่งชั่วโมงเลยนะอะไรจะเกิดขึ้น ยิ่งนึกไปยิ่งเครียดเลยนะยังนองเป็นอย่างนั้นไหมนึกถึงหลานตัวน้อยคนเดียวเนี่ยนะนึกสักครึ่งชั่วโมงดูจะเป็นยังไงไขจะขึ้นแล้วนะแต่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าสองชั่วโมงเนี่ยมีความสุขมากแล้วยิ่งถ้าหากว่ารู้คุณของพระธรรมของพระองที่พระองค์แสดงด้วยยิ่งมีความสุขเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าเราจเจริญพุทธานุสติจเจริญพุทธคุณเป็นจเจริญธรรมคุณเป็นจเจริญสังฆคุณเป็น คนที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นจิตเป็นไปกับพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์จริงๆคนรวยในาศาสนานี้ไม่ใช่คนจนเพราะเขานี่ร่ำรวยด้วยมหากุศลพระองค์ตรัสว่าใครเล่าจะนับท่อบุญท่อกุศลของผู้ที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ว่าบุญมันจะหลั่งไหลออกมาขนาดไหนเวลานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เวลาเนมะื่อถึงคุณของพระธรรมนะกุศลจิตจะลังไหลมาขนาดไหนรู้ความปฏิบัติดีของโหมดพระสองอ์ทั้งหลายกุศลจิตจะลังไหลมาขนาดไหนมันจึงเรียกว่าท่อบุญท่อกุศลห่วงบุญห่วงกุศล บ, บ, บ, บ, บางทีใช้ก็ว่าท่วงเลยนะมันใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะระลึกถึงคุณของพระัตนะไตรระลึกถึงคนอื่นนะยิ่งคิดถึงยิ่งกลัวตาย แต่คิดถึงพระพุทธเจ้ายิ่งคิดถึงความตายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาพาะเหมือนอะไรพราะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองมั่นใจที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดพ่องไม่หลอกลวงเราอยู่แล้วอันถ้าหากว่าเรามาโหนและลึกถึงความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาย้อนกลับมาดูศักด์ในยุคนี้ศักด์ในยุคนี้แม้แต่จะนับถือพระพุทธเจ้ายังไม่นับถือที่จะรอรถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ ไม่ค่อยได้เลเล็กถึงหน้าเสียดายประโยชน์เหล่านั้นที่ควรจะมีที่ควรจะได้ไม่มีไม่ได้คือหมายความว่าเมื่อดวงอาทิตย์ส่องสว่างขนาดนี้ทำไมเขาจึงนอนหลับตาอยู่เนาะพอดวงอาทิตย์หมดก็ใช้สายตาขึ้นมาแล้วจะต้องหาปกตูปะนิสยาปากใจให้จักขูวิ ญ, ญญาณเห็นขนาดไหนใช้ทุนขนาดไหนที่จะลืมตามมองเห็นให้มันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะ ต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยสับดาลใดทันถ้าหากว่าเรารู้ควรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยเป็นไปกับกุศ ล, ลธรรมเป็นอย่างมากทั้นที่เรามาเจริญกุศลครั้งนี้เนี่ยนะถ้าจิตเป็นไปกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและก็หมู่พระสงฆ์โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ซาบซึง้งพระธรรมเราก็พอสมควรทีนี้ถ้าเรามองมาดูพระสงฆ์บ้างในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยนะอย่างที่ ที่เราไปบูชาเมื่อตอนเย็นที่อโศการามอาโศการามเนี่ยเคยมีผ้าอรหันต์เป็นแสนรูปมีผ้าอรหันต์เยอะมากเป็นแดนโคโจรเพราะที่นี่คือใจกลางของอินเดียบบราณเป็นใจกลางของอินเดียเนปาลทุกแห่งที่นี่คือศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมยิ่งกว่าเดลียิ่งกว่ากรละกะตัตตาตอนนี้อีกสมัยก่อนเลยเนะยิ่ยงใหญ่มากทุกสารทิศเนี่ยจะต้องมาที่นี่ค้าขายนะขายอะไรไม่ออกต้องมาขายที่นี่ แต่ว่าสินค้านะค้างมานอนถ้าขายไม่ได้นี่มาขายที่นี่ไม่มีเหลือเป็นที่แก้ห่อสินค้าเป็นเมืองยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ทราบว่าใหญ่เท่ายุคนี้หรือเปล่าแต่ถือว่ายิ่งใหญ่มากในยุคนั้นแล้วก็โมพระอริยะโมผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนที่บรรลุอริยสัจเนี่ยมีมากถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยนะเชื่อไหมประชาชนที่เราเดินแวกแวกคือผู้ที่เขาเห็นอริยสัจกัน ผู้ที่เห็นนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกโดยที่สุดแม้แต่เด็กอายุเจ็ดขวบก็ยังเห็นอริยสัจกันแต่มายุคนี้เนี่ยนะถึงเกือบร้อยขวบแล้วยังไม่เห็นเลยใช้คําว่าปีเดี๋ยวเขาลาบากใจไม่เห็นอริยสัจเลยก็แปลว่าออมันห่างจากคนยุคนั้นเนี่ยมากยุคนั้นเนี่ยเขาถือว่าการรู้อริยสัจเป็น เป็นสาระสําคัญมากว่าชาตินี้เขาต้องเห็นอริยสัจให้ได้อริยสัจจะแค่ไหนก็ตามเขาจะต้องเห็นให้ได้ซึ่งเราทั้งหลายก็น่าจะสมาทานแบบนั้นนะตั้งใจจริงๆว่าชาตินี้นะอะไรไม่รู้ก็ช่างเข้าใจอริยสัจได้เป็นอันแนละ้ววิชาคอมพิวเตอร์เขาจะเรียกว่าเราไม่ฉลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะวิชาประวัติศาสตร์ไสยศาสตร์พวกกุรศาสตร์วิชามารทั้งหลายเนี่ยเข้าร่าเราโง่ก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไร นาย่นยืดนะวิชาอย่างอื่นเราไม่ค่อยรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อริยสัจ ต, ต้องรู้ให้ได้เพราะว่าถ้ารู้อริยสัจและปลอดภัยอย่างคนทั้งหลายเนี่ยเขากลัวทุกข์กันมากแต่เขาไม่รู้ว่าที่ต้านทานต้องการให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยคือการเห็นอริยสัจแล้วการปฏิบัติธรรมในยุคนี้แปลกว่าทําไมไม่ปฏิบัติเพื่อให้ให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจ อย่างการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมในยุคนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ค่อยสอดคล้องต่ตอหลักอริยสัจสักเท่าไหร่ไม่อนุวัตต่อตอริยสัจทั้งสี่ประการแปลว่าปฏิบัติไม่อนุโลมต่ออริยสัจการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยต้องอนุโลมต่ออริยสัจคือต้องเป็นไปเพื่อทำปริญญาต้องเป็นไปเพื่อทหารนะต้องเป็นไปเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งต้องเป็นไปเพื่ออบรมอริยมรรค อยากวิจารณ์ให้ฟังว่ายุคนี้นะบางพวกนะศีล ส, สมาธิาาธาาปัญญาอย่างเดียวมันต้องมาฝึกสมาธิอันไหนบางพวกก็ศีลก่อนเอาแต่ศีลอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งเอาแต่สมาธิอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งก็ต้องปัญญาอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นอะไรเกิดขึ้นมาแค่นี้อนุโลมต่ออริยสัจสี่ประการไหมทีนี้ through? ถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะปฏิเสธอีกอย่างหนึ่งปฏิเสธอีกอย่างหนึ่งเข้าถ้าเ น, น้นมาที่ข้อที่ปัญญาอย่างเดียว บางทีก็เลยทําให้เลยทงในสิ่งที่ควรละไม่อนุโลมต่อสิ่งที่ควรเจริญก็คือไม่สอดคล้องต่อหลักอริยสัจการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องให้เห็นยอดคืออริยสัจให้เห็นความสมดุลเหมือนกับสร้างเจดีสี่เหลี่ยมเนี่ยนะถ้าหากว่าอีกข้างหนึ่งตรงอีกข้างหนึ่งเตะอะไรจะเกิดขึ้นควรจะได้ยอดเจดีชนิดไหนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอริยสัจเนี่ก็ลักษณะเดียวกันควรทําความเข้าใจให้ดีๆ แล้วก็การเจริญกุศลธรรมเพื่อให้โอนเพื่อให้อนุวัตต่อการเห็นอริยสัจท่านเมื่อครูน่นี้ดูเหมือนว่าการเจริญหรือว่าการทําปริญญาการละกิเลสหรือว่าการที่จะเห็นแจ้งนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งหลายๆอย่างซึ่งจะต้องปฏิบัติแยกกันแต่ว่าการเจริญมัคคุยงแปดไม่ใช่เป็นการรู้ทุกข์เป็นการละสมุทยัยหรือว่าเพื่อทำนิโรธให้แจ้งอันเดียวเลยครับ คือถ้าในขณะโลกุตระเนี่ยนะขณะโลกุตระมันก็อยางเดียวละแต่ถามว่าในขณะโลกิยธรรมมีอยู่สูตรหนึ่งที่พระองค์แสดงไว้ซึ่งเป็นสูตรที่ดีมากบินปาตะปริสุทธิ์ที่สุดคือผู้สูตรว่าด้วยผู้ที่บริโภคปัจจัยสีด้วยบริสุทธิ์เขาเหล่านั้นเนี่ยนะจะต้องมาสํารวจตัวเองบ่อยๆว่าแต่ด้านสมุทัยสัตว์มีส่วนไหนที่เรายัางละไม่ได้เือเขามีการตรวจสอบตัวเอง แล้วในบรรดาปรินยยธรรมทั้งหลายมีอะไรบ้างที่เขายังไม่กำหนดรู้ในบรรดาสัชิกาตประธรรมทั้งหลายอะไรบ้างที่เขายังไม่ทําให้แจ่มบรรดาภาเวตปธรรมทั้งหลายส่วนไหนที่เขายังไม่เจริญคือมีการแยกกลุ่มธรรมแบบนี้พันเขาจะเริ่มมีการพิจารณาให้มันสอดคล้องต่อกันแต่บางพวกก็จะดิ่งไปในจุดใดจุดหนึ่งจนเกินไปก็เคยทําให้เสียหายในด้านอื่นๆ คือการพิจารณาธรรมะก็อย่างว่าคือเป็นการพิจารณาที่ให้สอดคล้องต่อการตรัสรู้คุณธรรมชั้นสูงอย่างเช่นที่เรามาฝึกภาพสาธยายบ่อยๆในเรื่องของจักขุกจริงๆแล้วของมาต้องการจะวางโครงสร้างให้ได้พิจารณาจักขุกเป็นต้นเนี่ยอย่างกว้างขวางมากขึ้นแต่ในจอนแรกๆจะสร้างให้ความคุ้นเคยก่อให้ความคุ้นเคยกัอนเช่นคําว่าจักขุจักขุกสมุทัย จักขูนิโรธจักขูนิโรธถ้ า, ามิหนีปฏิปทาจักขูควรกําหนดรู้จักขูสมุทัยควรละจักขูนิโรธควรทําให้แจ้งจักขูนิโรธค า, ามิหนีปฏิปทาควรจเจริญถ้าทําความเข้าใจตัวนี้ดีเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวในบรรณามัชเนี่ยมีข้อเดียวคือสัมมาทิฏฐิทีนี้สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพอไหมที่จะบรรลุธรรมไม่พออยู่แล้วก็ต้องมีอะไรมัชอื่นๆอีกคือสัมมาสังกัปตะเป็นต้น ทีนี้คําว่าจักขคุเนี่ยนะที่เรามาทําปริญญาเนี่ยแค่ไหนจึงเรียกว่าทําปริญญาในจักขคุแค่ไหนจึงเรียกว่าทําปริญญาในจักขคุองปรกะกอบของจักขคุอันนี้ถือว่าต้องต้องรู้ใช่ไหมเหตุไกดของจักขคุก็ต้องรู้แล้วรู้ว่าจากักรคุเนี่ยมันเจริญเติบ โ, โตได้ยังไงแล้วอายุการใช้งานของจักขคุทั้งหมดนี่อยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาอะไรบ้างในเรื่องของ จกักระถว่ารู้เหตุเกิดของจักขะเป็นอย่างดีแล้วจักขะถเนี่ยอายุความเสื่อมของมันอยู่ที่ไหนแล้วจักขะถมันน่า ย, ยินดียังไงแล้วมีโทษแค่ไหนไอการวิจัยเข้าไปรอบรู้อย่างนี้นี่แหละคือการรู้จักขุถถ้าเราวิจัยจักขะถได้บ่อยๆแม้กระทั่งวิเคราะห์ว่าจักขะถวเนี่ยลองเอาโต๊ะสี่สิบมาพิจารณาดู หนึ่งนะถ้าแบบทํายาตาปริญญาในจกักขโคก็คือวิเคราะห์จกักขโคพร้อมทั้งสมุดฐานคูณการสามคูณภายในภายนอกไม่ใช่เอาจากัจากขโคใดจักรโคหนึ่งมาทําปริญญาก็พอทําปริญญาในจกักขโคจนกว่าเห็นตาใครก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยที่สุดแม้กระทั่งตามดตาแมงตาปลวกตาปูตาคนตาเทวดาตาพรงจนในความเป็นจกักขโคไม่ต่างกันเลย ในเหตุเกิดของจักขุกก็ไม่ต่างกันเลยพิจารณานะแต่ว่าความเลวความละเอียดความประเนีดอยู่ที่กรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมจักขุคของทุกภพต้องอาศัยอาหารแต่ว่าความเลวความประเนีดความแตกต่างก็อาศัยอยู่ที่กรรมที่เป็นปัจจัยแห่งจักขุกก็คือสมุทัยของจักขุกทีนี้สมุทัยแห่งจักขุคนี่เป็นยังไงเราให้ดูนะว่าเราทั้งหลายมีตาเนี่ยเอาตาไปมองอะไรเป็นส่วนใหญ่ แล้วเมื่อมีตาขึ้นมาและ เ, เจตนากรรมเนี่ยเป็นอย่างไรที่เป็นผลพวงที่จะดูทั้งหลา ย, ยตัว น, นั้นน่ยกรรมเพื่อสร้างจากักรโค้นจักขโคของมูสัตว์จึงต่างกันทั้นวิธีดูดูกรรมที่เป็นเหตุสร้างจักขโคก็ดูจากสิ่งที่เขาดูอยู่ว่าเขาดูอะไรอยู่สิ่งที่เขาดูเนี่ยประกาศถึงว่าเขาสร้างจากักขโคประเภทใดอารมณ์ที่เขาดูนะเป็นตัวบอกว่าเขาเนี่ยควรจะได้จกักขโคประเภทใดต่อไป พันจักขู่อย่างที่เรามองในส่วนเหตุกับมองในส่วนผลก็จะลงตัวกันพอดีเพราะว่าจักขู่ทั้งหลายก็อาศัยอดีตเหตุใช่ไหมเมื่อมีจักขู่เพื่อมาทำเหตุใหม่เพื่อให้มีอนาคตผลต่อไปทีนี้เริ่มสังวรยังไงเริ่มละอะไรบ้างเมื่อเรารอบรู้อย่างนี้อะไรบ้างที่ควรละมองยังไงแล้วจะทำให้เสียศีลเนี่ยอันนี้เริ่มไม่มองละอะไรที่เป็นการดูแล้วนามาซึ่งความ เสียศีลไม่ดูจำม้วนว่าไงนะอันนี้ไม่ค่อยมีอาส า, าท่าเลยดูสัหน่อยอันนั้นมีอาส า, าท่าก็ยังไม่ต้องดูอันนั้นก็คือเลือกดูก่อนแหละถ้าไม่เลือกดูนะยากจริงฮันก็ต้องเลือกดูเลือกเห็นการเลือกดูเลือกเห็นแต่ถ้าทําอย่างนี้ได้บ่อยๆคนนั้นก็อินทรีย์สังวรก็ดีอินทรีย์สังวรก็เริ่มดีขึ้นเมื่ออินทรีย์สังวรดีขึ้นเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ดูบางอย่างเราก็ไม่ต้องพูดถึงบางอย่างไนงะ เราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องไปอะไรบางอย่างนะสุดจริตสามันได้เองถ้ายินทรสังวรได้นะสุจริตมันจะได้โดยธรรมชาติเพอหนึ่งเราดูในสิ่งที่ควรดูเมื่อดูแล้วไม่มีอภิชาใช่ถ้าอภิชาเกิดอะไรลามมาถ้าโทมนัสเกิดอะไรลามมาถ้าดูแล้วไม่ก่อให้เกิดอภิชากับโทมนัสบาปอาคุณก็ไม่ไหลามานี่เริ่มเป็นการสังวรด้วยสติสังวรหรือ กินรีสังวรก็เริ่มรู้จักห้ามบาปขึ้นผู้ที่รู้จักจักขูจริงจะเริ่มห้ามบาปเริ่มห้ามบาปไม่ให้บาปไหลมาทางจักขุจักขูนี้ถ้าตามโคปาละกสูตรพวกบอกว่าเหมือนแผลคือเริ่มสังวรห้ามไม่ให้มันติดเชือ้อถ้าบาปอากุศลเข้ า, ข า, ข า, าครอบนำกลุ่มลมมันเหมือนกับติดเชือ้อเชื่อไหมจากการเห็นเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าใครแต่และคนเนี่ยทัดดูบางอย่างไห เพราะเชื่อแต่ละคนมันเข้ามาไม่เหมือนกันนะจากอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันเลยเพราะปัจจัยที่จะทําให้ทวารตาบางคนนะ่ยดูเสียหายขนาดไหนก็ไม่เสียใจแต่ไปดูบางอย่างนิดเดียวเนี่ยนเสียใจบางคนเนี่ยเรื่องบางเรื่องใหญ่โตก็ไม่ดีใจไปดีใจเรื่องนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะจากขูเนี่ยตัวเราเนี่ยที่เราจะต้องมาสังวรให้ดีๆถ้าสังวรไม่ดีเนี่ยอกุศลจะไหลามาทางทวารตา เพ่อนต้องสมาทานเหมือนกันนะว่าดูยังไงอกุศลจะไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ถึงกับห้ามการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้หลับตาอย่างเดียวแต่ว่าทำยังไงดูแล้วอกุศลไม่เกิดอันนี้ที่เราจะต้องสมาทานประพฤติเลยนะว่าดูแล้วอกุศลต้องไม่เกิดเราทั้งหลายก็คงไม่ลืมกุศลกรรมบดดูยังไงจึงจะไม่ทำให้เสีย อ, อกุศลกรรมบทเพราะกุศลกรรมบทเป็นทรัพย์ของเรา อกุศลกรรมบทเป็นความเสียทรัพย์ของเราพรานเราต้องหมั่นสมาทานว่าฉันดูเนี่ยฉันต้องไม่อกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทต้องไม่ล่วงอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้มีสติเพราะว่าถ้าดูบางอย่างแล้วเรื่องอกุศลกรรมมาบดแน่ใช่ไหมฐานะบางขณะเราไม่ค่อยพร้อมเนี่ยกําลังมีโทสะไปรับเรื่องบางเรื่องอดด่าได้ไหม ในที่สุดเอาล่วงไปแล้วเนยะก็เสียใจภายหลังอีกแต่ถ้ารออีกหน่อยเดียวแล้วดูเรื่องเดินมนั่นแหละแต่ว่ารอเวลาสัหน่อยพร้อมสัหน่อยการดูเหล่านั้นจะไม่เสียหายก็เริ่มใช้ตาเป็นขึ้นก็จะไม่ติดเชื้อเพราะติดแผลเป็นถ้าติดแผลเป็นเนี่ยอันนี้เป็นอินทรีย์สังวรถ้าอินรีย์สังวรตัวนี้ดีขึ้นเท่าไหร่นะยาณนสะังวรก็จะดีขึ้นเท่านั้นยาณนสะังวรเนี่ยระดับสูงก็คือ ไม่พิจารณาในโลกทวารตาทั้งหมดที่จะก่อให้เกิดนิจจสัญญาความเสียหายในโลกนี่นะวัตะในโลกนี้ที่มันยาวจริงๆเนี่ยนะเกิดจากนิจจสัญญาอะไรๆก็ดูเหมือนเดิมไปหมดอย่างสมมถ้าเราไม่เจริญ น, นิจจสัญญาเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยหน้าตาที่เรามองเห็นกันเหมือนปกติหมดเออเนี่ยเหมือนปกติก็เหมือนเดิมเหมือนมีอะไรนี่มองเห็นอาจี้ยหมยก็เหมือนเดิมดังทันติก็เหมือนเดิม ก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเดิมจริงหรือจริงๆมันไม่ใช่เพราะวันนี้แก่กว่าเมื่อวานแสดงว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก้าพรุ่งนี้นัจะแก่ไปอี้แสดงว่าวันนี้หนุ่มกว่าพรุ่งนี้อย่างไงี้ยนะเจอกันพรุ่งนี้ก็บอกเหมือนเดิมอีกก็แสดงว่าเป็นเอามากแล้วแสดงว่าหอนี่ิจ่าสัญญามันกุ้มรุมขนาดนี้เลยหรือซึ่งจริงๆแล้วแม้กระทั่งว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยในส่วนไหนสมุทฐานไหน กรรมสมุทฐานจิตตสมุทฐานหรืออุตตสมุทฐานหรือตาของเราที่ลืมตาไอ้มันเหมือนเดิมโดยหมดเลยลืมตาเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมก็ยังเห็นน่ะลืมตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนี่แหละคือนิจจะสัญญาของเรานี่คือนิจจะสัญญาว่าตาของเราเนี่ยมันเห็นเหมือนเดิมเลยขอมานี่ชักไม่เหมือนเดิมน่ะลืมว่าไหนก็ชักพลาดไปหมดแล้วมองใครไมก็เห็นนะตอนถ้าจะติดกันกันนั่นเนี่ย มันเดินมพลาดแล้วดูหน้าคลาก็แต่ก็ก็มีอยู่ข้อดีอยู่เหมือนกันก็คือมันจะได้ไม่ต้องเห็นรายละเอียดมากเกินไปเห็นตีนนกตีนกาตีนอะไรก็มองไม่ค่อยเห็นถ้าใสายแวนะ่นนั้นมันเห็นหมดเลยอย่นี้ตอนมันเห็นลึกขึ้นนะนี่ยเห็นพระ่าถ้ามองแบบใกลๆหน่อยใครมีศีรษะผมไม่ค่อยงอกเลยนะหรือ ง, งอก น, น้อยเราก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าสายตเนี่องอกไม่กี่เส้นมันเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยนะจักคูวิญ ญ, ญาณทําให้เห็นอะไรมากขึ้นเยอะเลยเงี้ย แต่ว่าตาจริงๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงความจริงก็ความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่อาหารสมุทฐานจิตตะสมุทฐานอุตูสมุทฐานและกรรมมะสมุทฐานเนี่ยจริงๆมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าชาราเนี่ยคืออะไรคือพูดกรรมมะสมุทรฐานตัวเดียวนะแล้วสมุานอื่นๆอีกละ่ะฮะถ้าโทสะโมระจิตกําเริบมากๆเลยนะตาจะเป็นยังไงตาก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะตานี่ก็แพทยจะหลับตาไม่ลงกันแหละร้อนเผาวไปหมดเลยแหละ เขากว่าคนโกรธ บ, บางทีเนี่ยมันร้อนลูกตาด้วยนะไม่สบายใจเนี่ยตาเนี่ยร้อนเหนที่เรียกว่าน้ําตามันออกมาเพราะมันได้โพแทพารมอมนะคือตามันร้อนขึ้นมาแน่นเองเตโชธาที่ตามันกําเริบ ม, มากขึ้นมันก็เลยหลั่งน้ําตาออกมาเรื่องอนาจของโทสะเป็นสมุทฐานแม้กระทั่งอาหารสมุทฐานแล้วก็จิตตะสมุทฐานถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารบางอย่างเนี่ยนะอย่างสมมติทุกการเราว่าถ้าขาดวิตามินเอสักระยะหนึ่ง ก็เริ่มชักมีปัญหาแล้วว่าเล่นทานวิตามินหลายๆวันเข้าเนี่ยนะหนังสือก็ชักอ่านไม่ได้นะตาก็สูดเป็นทีได้วว่างั้นแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าตานี่มันอาศัยอาหารอยู่มันอาศัยจิตอาศัยรูตัและอาศัยอาหารแต่เนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้ตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของตาก็เลยบอกเมื่อไรก็เหมือนเดิมก็ยังชัดเจ๋อยู่อันนี้เรียกว่าสุขสัญญา ศขะสัญญาก็บอกเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเตือนชาติมาก็แค่ล้างหน้าอะไรนี่นี่หน่อยหน่อยมันก็ดูต่อไปอีกได้เหมือนลืมตาเมื่อไก็สบายอันนี้เรียกว่าสุขะสัญญาก็สบายดีนี่ไม่เห็นมีอะไรอยากจะดูมันก็ดูอยากจะหลับมันก็หลับอยากลืมมันก็ลืมเหลีวซ้ายเหล้วขวามันเป็นไปตามใจนึกหมดอู้สบายอันนี้เรียกว่าสุขะสัญญาซึ่งเขาไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เขากวาดสายตาดูเนี่ยนะนํามาซึ่งอะไรบ้าง เดือดร้อนแค่ไหนหลังจากดูมาจะทุกข์ขนาดไหนเพราเพราะไม่เจริณาทิตะตะปริยญสูตรก็เป็นอย่างนี้แหลถ้าจุติขณะนั้นจะต่อด้วยที่ไหนแต่ว่าไอ้สุขสัญญาเนี่ยเหมือนกับว่ามันสบายเพราะไม่ตามเห็นความเป็นทุกข์ของจักรคู่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่เที่ยงก็ไม่เห็นเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นแล้วอัตตะสัญญาจะไปถอนตรงไหนมันก็ถอนไม่ได้อยู่แล้ว พราะผู้ที่ถอนอัตตสัญญาได้จริงๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นทั้งไม่เที่ยงลวยเห็นทั้งความเป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพั้นตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของจักรโคตามเห็นความเดือดร้อนของจักขุคทั้งเปลี่ยนแปลงด้วยทั้งเดือดร้อนด้วยอันนี้แหละอนัตตสัญญาจึงจะมีกําลัง การเห็นอริยสัจกับการเห็นทุกขังที่เป็นใจรักษณ์นี่จะแตกต่างอะไรกันไหมครับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเป็นความรู้ที่อนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจมีอยู่สูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นของเที่ยงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุอริยมรรคคือว่าจะบรรลุสัมมตานิยาคืออริยมรรคถ้าตามเห็นสังขารโดยความเป็นของเที่ยงเนี่ย ไม่ใช่ฐานะเลยที่อริยมรรคจะเกิดถ้าอริยมรรคไม่เกิดสามัญญผลเกิดก็ไม่ใช่ฐานะผู้ที่ตามเห็นสังขารว่าเป็นสุขไม่ใช่ฐานะที่จะอนุโลมต่ออริยมรรคตามเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาก็ไม่ใช่ฐานะที่จะอนุโลมต่ออริยมรรคเพราะฉะนั้นไตรลักษอณอิจังทุก ข, ขังอนัตตาคือเป็นสภาวธรรมของทุกขสัจกับสมุทยัยสัจ แต่ทีนี้ถ้าพูดให้ใดหนึ่งก็คือเป็นสภาวะของทุกขสัตว์นั่นเองเป็นสภาวะของทุกขสัตว์ว่าทุกขสัตว์มันเป็นอย่างนั้นมันอนิจจงทุกขังอนัตตาเมื่ออนิจจงทุกขังอนัตตานี่แหละที่เรียกว่าถ้าบรรลุอริยมรรคอริยมรรคจะแทงตลอดว่าทุกเนี่ยปีแล้วนะโถทุกนี้สันตาตะเล่าร้อนทุกนี้สังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกนี้วิปริณามะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ปัญญาในระดับสูงนั้นจึงเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัจเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจะเพิกถอนความสำคัญว่าศกในจากโขจะละความสำคัญว่าเทียมในจากโขละความสาคัญว่าเป็นอัตตาในจากโขจริงๆแล้วนะบาปอาคุศลเนี่ยโลภโทสะโมหะมันเกิดจากพิปปะะัต คือเกิดจากไปเข้าใจวันนั้นน่ะมันดีดีเนี่ยสุขสัญญานั่นเนี่ยมั่นคงนิจจะสัญญาเรามีอํานาจอยู่นะอันนั้นก็อัตตาสัญญาเหมือนว่าเป็นผู้ไปมีอํานาจจัดแจงสิ่งนั้นได้จริงๆพื้นฐานตัวนิจจะสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาเนี่ยสัญญาตัวนี้แหละที่เป็นอาหารชั้นยอดของบาปอากุสมทุกชนิด ผู้ที่มากไปด้วยอนิจจาสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทําบาปโดยประการทั้งปวงเพราะบาปทั้งปวงที่ทําไปเนี่ยนะเช่นทําไมเราจึงฆ่าสัตว์รู้ไหมจิงอยู่ทำด้วยความโกรธเราคิดว่าถ้าเราฆ่าเสร็จเราจะได้ความสุขเขาจึงฆ่าถ้าเขาฆ่าแล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องดือรอ้อนแน่นอนเลยจะต้องทุกแน่นอนเลยยังไงเขาก็ไม่ทาเช่นทําไมไม่เดินเอาหัวไปชนเนี่ยเหลี่ยมเสาว ทำไมไม่ทำล่ะก็เสาก็มีอยู่ศีรษะเราก็มีอยู่ทําไมเราไม่ยอมเดินชนเพราะเราเรื่อมันทุกแน่นอนแล้วก็ถูกใดทุกทางนะะไม่มีใครชมเราเลยว่ารู้เก่งมากเอาศีรษะไปชนเหลี่ยมเสาได้ไม่มีใครชมรเลยก็มีแต่ว่าทําไมโ ง, งขนาดนั้นเนี่ยนะฉันใดก็ดีผู้ที่เห็นว่าทําชั่วแล้วนะมันเสียหายโดยส่วนเดียวเขาไม่ทําชั่วโดยประการทั้งปวงแต่เขาคิดว่าเมื่อเขาทําเสร็จเขาจะสบาย พื้นฐานจริงๆเนี่ยสุขสัญญานั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยเช่นว่าถ้าฆ่าศัตรูคนนั้นได้นะเขาจะมีความสุขเลยเขาคิดว่าปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้หมดเลยถ้าคนนั้นตายถ้าเขารักทรัพย์มาได้สักก้อนหนึ่งเขาสบายแน่ ย, ยังคนที่สมมุติว่าเขาค่ายาบ้านเนี่ยนะเขาคิดว่าถ้างานนี้ส่งงวดนี้ผ่านนะสบายแน่ครั้งนี้รถที่ผ่อนมาหลุดหมดเป็นต้นนี่นะหวังได้เลยว่าจะเอาไปทําอะไรก็ได้อย่างใจ ก็คือที่เขาทำสารพัดชั่วเนี่ยนะสารพัดความเลวในโลกนี้คือเมื่อทาเสร็จจะมีความสุขเพราะเขาคิดว่านั่นคือเหตุแห่งความสุขจริงๆแล้วเขาต้องการความสุขจากสังขารเขาจึงทำความชั่วหรือเขาคิดว่าสังขารเนี่ยมันมั่นคงเขาจึงทำชั่วหรือเขาคิดว่าเขามีอำนาจในสังขารเนี่ยเขาจึงทาชั่ว พ้นื้ฐานของบาปอากุณสมทุกชนิดเกิดจากสัญญาวิปลาสคิดว่าวิตริตมนุิยการมนุษการโดยวิปริตไปคือเข้าใจผิดไปเผลอไปเนี่ยนะไปหลงเข้าใจผิดในวัตถุนั้นจึงยอมทําบาปเพราะวัตถุนั้นๆจึงยอมทําอาคุศสเพราะวัตถุนั้นๆ